ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ซพเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาอันภิกษุณีขอร้องอยู่ว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระงับปิติกรนี้ด้วยเถิดรับปากแล้วแต่ไม่ช่วยระงับไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยระงับจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า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 ให้เลื่อมสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้